สิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อครองอุตราสงย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พคัคคีครองอุตราสงย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา